ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านห้นแต่ร่มพระโพทยาณในวันนี้ก็คงประรบเรื่องฐานบารมีต่อไปก็เป็นการจำแนกโดยประเภทนะะก็เรียกว่าเป็นปริยายแห่งธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงไว้โดยนัยต่างๆก็เพื่อให้ประชาชนได้ชัดเจนในมุมแต่ละมุม บางครั้งบางคราวเราก็ไปได้ยินในที่บางแห่งเราก็ไม่คุ้นหูกนึกว่าพระว่าวเองที่จริงแล้วนี่มันเป็นเรื่องที่ทรงจาแนกไว้หลา ย, นยาเนยะด้วยกันมนยะหนึ่งมันแบ่งตามที่เคยเรียกไว้บันก่อนนะธาตุสถานสหายฐานสามีฐานแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้คำอีกคำหนึ่ง วะหินท า, านมัชฌิมท า, านแล้วก็ปณีิธานทีหน้าก็คือของตําๆวัตถุที่เลวนะฮะตัวเองก็ไม่ได้ใช้สอยบริโภคของพวกเศษเหลือกินเหลือใช้หรื อ, ร อ, รอของที่ควนจะทิ้งแล้วก็ไปให้เนี่ยตัวนี้เราเห็นว่ามันอนิสงไม่มากถ้าเรามีสามอย่างแต่เราให้อย่างเลวเนี่ยอนิสง์ไม่มากนะ แต่ถ้าเรามีอย่างเดียวคืออย่างเลวตอเนี้ยแล้วเราก็ให้ตามนั้นก็อ น, นิสงส์ก็มากนะครับพรเจ้าเคยรับสั่งแสดงแกท่านนาถบินในการเสร็จสีคื อ, อนาถบินในเสด็จเีนท่านจนลงล่าวหนึ่งเพราะว่าทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งที่ท่านฝังไว้เนี่ยมันเกิดหายไปแล้วก็ลูกหมีเนี่ยไม่จ่ายคืนเพราะทำให้ทรัพย์สินหายไปหลายหลายโกดะนะ แต่ว่าท่านก็ยังหนักแน่นในการให้ทานก็ให้โดยข้าวหักบ้างน้ำผักดองบ้างอไแต่ใดก็แล้วแต่เท่าที่จะมีได้พระเจ้า ก, ก็รับสั่งถามว่าเป็นไงที่บ้านยังให้ทานอยู่หรือท่านบอกก็ยังให้แต่ว่าให้ประนีตเหมือนเดิมไม่ได้ก็ให้เฉพาะข้าวหักบ้างหรือว่าน้ำผักดองบ้าง พระรับสั่งมันไม่เป็นไรหรอกวัตถุจะประณีดหรือไม่ประนีดขอให้จิตใจประนีดก็เป็นมีผลมีในสมากแล้วเราจะเห็นว่าตัวเนี้ยที่จริงท่านมีของประเภทเดียวสังทานมันก็สูงสุดแล้วแล้วก็จิตใจของท่านก็ประณีดมันคงในฐานะใหม่ตอนทานนี้ชื่อว่าประณีดนะตามประเภทเนี้ียชั ว, วประณีดเพราะฉะั้นอย่าอย่าไปคิดว่าเราจนแล้วก็ให้ฐานไม่ได้ คือไม่ใช่ประเด็นจะต้องจับประเด็นให้ได้นะว่าการทําบุญนั้นไม่ใช่อยู่ที่ทานทานเป็นหนึ่งในสิบของบุญแต่นั่นเองแล้วก็ถ้าเทียแล้วในทานประเภทวัตถุทานเนี่ยบุญมันน้อยกว่าอภัยทานนะะอภัยทานก็มีบุญน้อยกว่าธรรมทานเพราะฉะนั้นในการให้ทานด้วยกันเนี่ยถ้าเราให้อภัยกันไม่ถือสาความกันมันก็ไม่ต้องจ่ายสตางคอะไร แต่คุณภาพาทางจิตเรานี่จะมีความสมุกเย็นเพราะว่าพยาบาทหรือโกรธมันร้อนแรงแต่เมื่อเราอภัยไม่ถือสาความมันก็เย็นมันก็ได้บุญมากก็เป็นปัญหาที่หน้าวางใหญ่วิตกกังวล บ, นบกรรก่อนก็เด็กที่คุ้นคุ้นกันเนี่ยมันมีปัญหาอย่ 2-3 สองสมนก็เจอได้มัเ็เลยก็ต่างก็สังเกต ว่าพวกเธอเดินเป็นยังไงไปวะแต่ไม่มีปัญหากันมากเลยเกินแล้เวเขาก็เล่ามาฟังก็เลยแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่มันเป็นปัญหาของยาบ้าว่าเด็กเล็กที่มันเรียนระดับมัธยมปลายระดับวิทยาลัยระดับมัธยมเนี่ยมันติดยาบ้ากันเยอะซึ่งว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยถ้าเราไปจริงวันจัง ตั้งข้อรังเกียดดังงอนเขามันก็เะเลิดเปิดเปิมไปกันใหญ่เลยก็จำเป็นจะต้องใช้หลักการให้อภัยแล้วก็หาวิธีที่จะแก้ไขมันเราความรุนแรงลงไปแล้วก็ฝ่ายที่ผิดจำนายจ่ายแจกเนี่ยนะพวกนี้ไม่ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายผ่านกระบวนการยุติธรรมจะันรวดเร็วหน่อย ซันก็ตัวนี้ก็ชมของชมใ ช, มชเ้เบี้ขานะฮะเราก็ทําอะไรเขา ไ, ได้แต่ว่าคนที่ตกเป็นทาสของสิ่งเักดิ์สิทิ์นั้นคนใช้คนให้อภัยเพรเป็นเด็กนะฮะเป็นเยาว์เขาแล้วก็มันน่าขุดหัวมันซื่อจนเซอร์บางทีแล้วก็พอเดี๋ยวบ้าเข้าไปอยู่แล้วก็ไปกันใหญ่แล้วคุมอะไรไม่ยู่แต่ถ้าเราไป เป็นเครียดไปถือสาความมากแล้วก็จะไปกันใหญ่ประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่ามัจจิมาทานหรือสายาทานคือวัตถุสิ่งของที่เรานํามาให้เนี่ยก็เราก็บริโภคแค่สอนอย่างนั้นแหละแล้วก็นํามาให้เหมือนก็ให้แกเพื่อนน่ก็ถ้าเรามีสามอย่างอย่างนี้พวกนี้เขาเรียกว่ามันมุ่งผลที่เป็นมรรสสมบัติสวรรสมบัติ ก็แนวก็คือพวกเนี้ยพวกวัตตนิสตทานเนี่ยคือทานที่ยังเกาะยิงวัตต์อยู่ต้องการผลที่มันประนีดขึ้นนะฮะในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเจนคอ้บางครั้งร่ารวยขอให้มันเกิดในสุกติโลกสวรรค์มีความสุขมากมีความทุกข์น้อยอะไรแต่ไรเนี่ยแล้วก็ประนีตทานก็คือทานที่ประนีดเยอะกว่าที่ตัวเองบริโภคแค่ซอย ของมีราคาข้างนวดสูงนะฮะโม่งสลัดออกหมายความว่าบริจาคเพื่อมุ่งผลสูงสุดก็คือหมดอาสวะกิเลสไอ้ตรงนี้ก็ค่อนข้างจะท้าทายใจตัวเองนะเพราะว่าการที่เราของประนีตมาบริจาคได้เนะี่ยก็แสดงว่าจิตใจเราไม่ใช่ธรรมดาในระการฝึกปรือลดละ เลสอันสะวะให้เจรจาเบาบางลงไปตอนทานทั้งหมดเนี่ยมันก็มีอานิสงส์รดหลานกันแต่ว่าอยากไปให้ความสาคัญนะอยาให้ความสําสคัญถ้าเราจะให้ก็ให้โดยเฉพาะยังยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้สังคมอย่างนี้เโดยการอบอ้อมอดีเอเพื่อเผื่อแผ่สมเคราะห์นุเคราะห์ดูแลกันช่วยเหลือกู้คุลกันเนี่ยมันมีความจําเป็น ก็ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะไปกันใหญ่เราดูข่าวคราวเรื่องราวเวลานี้เช่นโปรติจับบ้าทั้งหลายที่แกมีปฏิกิริยาต่อสังคมมันรุนแรงมากแล้วก็ขึ้นก่อนเนี่ยก็ดูคนที่รุมกันตีคนที่ติดจับ้าเนี่ยมันก็เกินเหตุเกินผลเนี่ยนะคนจับ้าเนี่ยมันคนไม่ปกติ แต่คนที่ตีที่จริงมันเป็นปกติแล้วกลับไม่ปกติกว่าคนที่ติดจะบ้า้อีกก็เลยตายกันใหญ่แต่ที่ยกแก้ปัญหาเม่ไปพ่่งปัญหาแก่เขาคือว่ามีสิทธิอะไรเป็นดีเขาก็ช่วยกันจับกลุ่มไปส่ ง, งพรพยาบาล น, นะคอยหมอช่วยรักษาให้นั่นก็คือทํโดยเจตนาด้วยความเปตตาจจริงๆแล้วทานีประเภทหนึ่งก็จาแนกเป็นสามประเภทเหมือนกัน ก็เป็นเป็นเรื่องของเจตนาคือมุ่งมุ่งที่จะอนุเคราะห์และแก่การเรื่องมูลครอบครัวนั่นเองเี่ยคือวงศากนายาตเพื่อนูพ่อแม่ลักษณะของอบอุ้มคุ้มครองปกป้องรักษาอภิบาลนะแนวตัวเนี้ยจะหมายความว่าเป็นภารกิจที่เราต้องทำแต่ว่ามันก็อยู่ในแวดวงตรงนั้นแสดงความมีน้ำใจต่อกัน อีกแนวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องการสมเคราะห์คือเขาเองมีปัญหาคนตรงนั้นเนี่ยมีปัญหาเช่นเดียดนี้เด็กปัญญาอ่อนเด็กพิการเด็กเรี่ร่อนจอนจัดบ้านราดวิชีบ้านอะไรตใรเนี่ยบ้านเกจการบ้านเบตตากรุณาบุติตาเบิกขาบ้านปรากฏชราบมันเยอะเหลือเกินนะหรือยังไม่กว่าเ อ, อเราก็มีบุญบา ร, รมีที่จะไปช่วยอะไรเขาขนาดนั้นนะนะแต่ว่า คือพอดูแล้วมันก็อยากจะช่วยอ่ะแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงคืเวลามันจิตใจมันอดอ่อนไหวไม่ได้ก็สงสารอย่างช่องสามเนี่ยเขาเอาช่องออกมาออกเรื่องวงเรียนชีวิตน่ดูแต่ละคนเนี่ยมันหรือว่าทามีเรื่อยรวยนะคือจะช่วยทุกคนเนี่ยคือน่าจะช่วยทุกคนเลยอันนี้คือคือเราสงสารเขาต้องการจะช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่เขา เป็น แ, แนวนการสงเคราะห์แล้วเรื่องต้องสงเคราะห์มันเยอะนะเรื่งนี้เขาบอกว่าอะไรอะลงจำนำพวกอะไรอะพวธนานุเคราะห์ลงจำนำทั้งหลายเนี่ยของจำนำมันเยอะเหลือเกินแสดงว่าคนจำนำกันจนไม่ค่อยรู้สึกกระดากอายแล้วชีวิตมันก็ลำบากแร่นแค้นถุงขึ้น ประการต่อไปนั้นก็เป็นการบูชาคุณความดีให้เลี้ยงดูพ่อแม่ให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แกธรรมนัชีพราหมณ์ให้แก่ชาติบ้านเมืองสาธานะกุศลโรงเรียนโรงพยาบาลปรกสาธานูพุทไหลายมาความว่าเราสมมติคุณความดีของสถาบันของบุคคลเหล่านั้น แล้วก็ต้องการบูชาคุณวัดดีของทางก็ให้ออกไปทีนี้แนวเึินนั้นมันเป็นแนวที่เรียกว่ากิตใจมันมันมันอาศัยองค์ประกอบจากข้างนอกองค์ประกอบจากข้างนอกแหวนข้างนอกเขามีความมีท่าทีรู้สึกอย่างไรก็เหโลสรารพาตามก็ไปบาแทกเรียกว่า โลกาธิปไตยทานหรือการทานาทานที่ปราถนาคนส่วนมากหรือส่วนใหญ่กลัวถ้าให้ทากลัวเขาจะติดเตียนอาตอนนี้เขาก็ทํากันเราก็ทําด้วยบางทีก็แอคชั่นถ่ายภาพออกมาก็โชว์กันคือกลัวตัวเองจะไม่มีชื่อแล้วกลัวจะเกาถูกเขาจะติดเตียนมันก็ทำไปตามกระแสของชาวโลก ซึ่งบางคราง้งบางคราวเลยก็เหลือเฟื่อนะความต้องการไม่ได้มากมายขนาดนั้นแต่ว่าคนคนลุ่มชมชอบอย่างนั้นประการต่อไปก็เรียกอัตราทิปฏตยทานก็เห็นว่าเราเองอยู่ในฐานะที่พออยู่ก็กินแล้วมีอยู่มีกินเลยกินเล ย, เ ย, เยใช้ ก็ควรจะสมคบอนครอคนอื่นเขาบ้างก็สมคบอนครอกันไปอีกแ น, นเม่งนี้มันเป็นเขาเรียกธรรมาที่ปัตยถาทานมุ่งในการพัฒนาจิตหมายความว่าเห็นว่าการทานนี่ดีแล้วก็ให้มันเป็นเครื่องบระดับจิตไม่ไ่ติดใจอะไรเพราะว่าวัตถุประสงค์ตัวเองนี่มุ่งผลสูงสุดคือบาเพ็ญบารมี มันเป็นฐานบารมีไม่ต้องการที่จะได้อะไรจะว่าสะสมบัพุมพัฒนาจิตใจของตัวเองให้มีความประดิษฐ์มากิ่งขึ้ น, นระทั้งจุดเต่งก็เป็นอุ ป, ป, ใใปนิสัยปัจจัยบั้ลรงก์มรรคมิภานได้ทีนี้ทานที่บัณฑิตสังเสริญเนี่ยมันจะมีอยู่สามแนวแนวหนึ่งก็คือคนที่ให้ด้วยศรัทธาจริงๆ เป็นคนที่เชื่อในกฎของกรรมถือว่าทําดีได้ดีจริงๆทําช่วยได้ช่วจริงๆเชื่อในผลของกรรมว่าความทุกข์นั้นเป็นผลจากความชั่วความสุขเป็นผลจากความดีแล้วก็ไม่โยนลูกออกนอกถ้ามันเกิดขึ้นกับเราก็เพระการกระทาของเราเองแล้วก็เชื่อเชื่อในตัวผลเมือนันว่าเราจะต้องเป็นเจ้าของผล แต่ที่สำคัญอย่างยิ่งก็อย่างที่บอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารู้ไม่ได้จนว่าไม่หลงตายแล้ตายไปแล้วหรืบังเกิดในสุกตินี่เราก็รู้ไม่ได้แต่เมืเจ้าทรงแสดงไว้เราก็เชื่อตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้เรื่องเหล่านี้บางครั้งบางคราวมันเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเลยเมื่ก่นได้พบหนังสือเรื่องหนึ่งเป็นพระผู้ใหญ่ท่านเขียนเล่า ประวัติของบัจิกาที่วัดของท่านเองวัดบุพารามธนบุรีหลวบัจิกาคนนี้ชื่อบาสิกาถ น, นอมก็ต้องเล่าถึงสมัยหนึ่งท่านสาวๆอยู่เมื่ท่านในธรรมุตตกบ่าทุกวันท่านไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องไม่เคยช่วยคือมันมีคติความเชื่ออะไรทบกนทบกตอยู่นะนี่ผู้ใหญ่เคยเล่าฟังว่า อางทีเนี่ยเขาห้างไม่ให้ลูกสาวนี่ไหว้พระเพราะกลัวถ้าไหว้แล้วพระรูปนั้นจะสึกมาทั้แต่งงานกันอะไรรูกเชื่อปแปลกๆกับิโกนปิโกนทังเชื่ออะไรก็ันเรี่ยตอนโยงคนนี้ก็คงจะเชื่ออย่างนั้นด้วยต่อมาแม่ไม่อยู่ก็สั่งให้ลูกบอกว่าแม่ตักเตรียมาหารไม่แล้วเวลาพระมาก็ช่วยตักบาตรด้วยแกก็ไม่อยากจะตักหรอกแต่ว่าแม่ก็สั่งไว้ พอพระมาถึงมัก็ต้องเรียกเขไปดูก็ปรากฏว่ามันมีข้าวหนึ่งหนึ่งหนึ่งขันแล้วก็มีประทูหนึ่งตัวแล้วก็มีกล้วยสามผลถ้ากล้วยผลหนึ่งมันหนูกัดแม่เก็บมาว่ากลางคืนก็เลยก็มีเชือออ้อเนาะก็เห ล, ลือครึ่งหนึ่งแล้วก็นําไปตักบาตรก็เสร็จก็ตลอดชีวิตก็ทําบุญเท่านั้นแหละตักบาตรเ ท, ท่านั้นต่อมาแม่ตายไปแล้วแกก็ป่วยหนักแล้วก็ ก็สลบนะฮะแต่ว่าแกแกบอกแกตายไปก็สลบสลบลึกหน่อยเท่านั้นเองกูพูดกับแม่ไปจําได้ว่าแม่แล้วแม่ก็ทักนะะแต่แม่สวยสาวสวยทีนี้แกหิวแกกินแกปวดนานเลยี่หิวไม่อะไรจกินก็หยิบนั้ำจะกินหยิบที่จะกินหยิบน้ำจะกินมันยิบไม่ขึ้นอ่ะแล้วแกแม่ก็บอกว่าหนอมนี่ไม่จะของลูกของลูกอยู่ข้างในอ่ะก็ให้ไปเอา แกก็เข้าไปดูก็ไปเจอของที่แกให้ทานเน่ยเจอข้าวหนึ่งขันประทูหนึ่งตัวกล้วยสองลูกครึ่งก็ก้าคืนกินเข้าไปแล้วก็ออกมาก็แม่ก็เล่าฟัง่ลูกก็ทําบุญมาเท่านี้บุญก็ช่วยลูกได้เท่านี้แกก็ขอแม่บอกว่าขอให้ฉันได้กลับบ้าน ต่อไปนี้จะตั้งใจทำบุญทำทานให้มากแล้วต่อมาแกก็ฟื้นกลับขึ้นมาจากคนที่ไม่ยอมเข้าวัดไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมรักษาศีลไม่ยอมแม้แต่ตักบาตรนะกลายเป็นอุบาสิกาที่เคร่งศีลเคร่งธรรมปฏิบัติธรรมะแล้ะตอนที่ท่านเจ้คุณรุปนี่ปท่นเขียนเล่าเนี่ยบัสิกาคนนี้ก็เป็นไม่ฉีบทชีล่ละ ต, ตรงดิทุกวันตอนนี้จะตายหรื อ, อยังก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงเพราะถ้เกิดประสบการณ์ตรงอย่างนั้นแล้วนี่ประสบการณ์ตรงนี้มันจะสอนท่านแล้วใครจะไปโยกคลอนท่านยังไงท่านาก็ไม่แกวงแ้งเรานั่นก็แสดงความศรัทธาเมันเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไปสมทบกับความเชื่อในการจัดสรูป ข, ของพระพุทธเจ้าเพราะว่าอะไรเพราะมันตรงพระพระเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็ ที่ไหนมันก็ตรงกันอย่างนี้เ น, นี่ยทีนี้จย่างหนึ่งก็คือให้ทานด้วยฮิริหมายความว่าจริงๆเราคิดด้วยเดียนะฮะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกทรัพย์สินเงินทองเนี่ยทั้งหลายในโลกที่ว่าเราถือครองครอบครองอยู่เนี่ยมันผ่านหยาดเหงือผ่านแรงงานผ่านความเสียสละพันจิตวิญญาณของบรรพบุรุษเลือดเนื้อของบรรพชนมาเนี่ยโมันมันเยอะเหลเือเกินเราเป็นมิ่งมากเหลเือเกิน แล้วก็จะเก็บเอาไว้มากมายก่ยกองทํำอะไรก็เอาไปชดใช้ให้แก่สังคมก็บ้างนะฮะมันของมาสังคมเขาของก็โลกเขาแล้วก็ชื่นในคือในแก่สังคมก็คือในแก่โลกรายแก่ใจที่ไม่ได้ให้แล้วก็มีความพอใจที่จะให้มันก็แสดงว่าไอ้ตัวผักดันไม่เกิดการให้เนี่ยมันคือความละอายแก่ใจอีกจนึง เ, งเนี่ย ก็ถือว่าการให้ทานนั้นสิ่งที่ให้หมายความว่าเขาเรียกว่าหาโทษไป็ได้ก็คือหมายความว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราให้ไปแล้วมันเกิดโทษแก่ผู้ที่เราให้จะไหนจะให้สุราอย่างเงี้ยให้ยาบ้าอย่างเงี้ยให้เบียร์ให้มีดให้อะไรต่ออะไรต่อเนี่ยแล้วมันก็เป็นอันตรายแล้วสิ่งที่ให้นั้นมันเกิดโทษคือเรื่องบางเรื่องเนี่ย เขาจึงห้ามไม่ให้ทานแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการให้ทานให้ยาพิษอ า, าจจะสาอาวุธให้ผู้หญิงแก่ผู้ชายหรือให้ผู้ชายแก่ผู้หญิงอะไรอะไรมันมั น, ม, นมันผิดทำไมเ น, นีน่ยะพวกอะไรนี้ก็ถือว่ามันเกิดโทษแก่ผู้รับแล้วก็เป็นโทษแก่ผู้แก่สิ่งที่เราให้สิ่งที่เราให้มันมีโทษอันนี้ก็มีเป็นอันมากพี่เช่นพกตุกต๊ ก, ต, กตาอ ะ, ะไรแต่อะไรเนี่ยก็ให้เด็กเล่นไปแล้วก็เกิดปัญหา รู้เท่ามิติการก็แสดงว่าทานอย่างนั้นบันดิบัณฑิเขาทำนิ้เดี๋ถือว่าเด็กอยากได้็ก็ให้แกมันไม่ได้เพราะว่าการทำบุญความดีทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องมีปัญญาเข้ากากับทุกแห่งถต่ปัญญามีไม่พอก็ใช้ศรัทธาเข้ากากับแต่ว่าทำโดยไม่มีทิศทางเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเกิดโทษแล้วเนี่ยบันดิเขาก็ตทำนิ้แต่ที่ยุงสังเสริมบันฑิเขากระทหนี ตัแนวทานทั้งหลายเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเป็นอะไรมากที่เราไปคิดว่าเป็นทานเะเสร็จ ว, วันเกิดเราก็เอาเหล้าไปให้เขานิยมกันมากเ่ยคนใหญ่คนโตเนี่ยเอาขวดเหล้าไปโชว์ขวดกันคือมันไม่ค่อยมีหลักมีเกณฑ์นะบางเรื่องมันอยู่อยู่กันโดยหลักมีเกณฑ์อะไรแล้วก็ทานที่ทา่านไม่นับว่าเป็นทานเลยนะพวกนี้ ทาา่านจำแนกไว้เป็นสิบประการเขาเรียกอิกทธีดานังค่าหญิงเพื่อเป็นพัญดาของชายออุสภะาดานังให้แม่โคแก่พ่อโคเพื่อประสมพันธุ์นะเหมือนนันแหละสุนักไก่หมูอะไรต่ า, า, ต า, า, ททางเนี่เพื่อผสมพันธุ์กันมาช่า ด, ดานางให้น้ําเมาให้สิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายเนี่ยแล้วก็ให้รูปภาพพว ก, พวกภาพโต๊ภาพเปื่อยภาพอะไรต่างๆเนี่ย คือหมายความว่ารับไปแล้วมันกระตุ้นราคะกระตุ้นโทสะหรือกระตุ้นความกลัวกระตุ้นโมหะก็แล้วแต่แต่ถ้าภาพนั้นเป็นภาพพระพุทธรูปเป็นภาพเจดีย์ภาพอะไรก็ไม่ต้ว่าอะไรกันนะนะนะคือสรุปว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันเป็นให้โทษแก่นคนรับไม่ได้เป็นคุณคล้ายๆกับการอะไรล่ะ มีกิจกรรมไปเป็นกุศลแล้วมันฉลองมามเต้นกระ บ, บำงตัวอะไรแต่ไรเนี่ยเราเรียกว่าทำบุญงั้นวัดเมือวัด น, นี้เละกก็าปากันหมดเลยไอ้บาปนะคือ <c oughs> อะไรก็ตามที่เราให้ไปแล้วไปกระตุ้นราคะกระตุ้นโลภะกระตุ้นโทสะกระตุน้นโมหะเนี่ยสมองบ่วงบ่อย่างนั้นนะะแล้วก็ให้สัจจะให้อาวุธทั้งหลายหรือให้ยาพิษอย่างนี้หรือว่าให้โซส่วนเพื่อไปจงจําคนเราอื่น หรือให้แม่ไก่แก่พ่อไก่ผู้ะสมพันธุ์หรือให้แม่สุกรแก่พ่อสุกร แ, แต่ทั้งหมดนะฮะตลอดทู้งว่าอะไรล่ะสร้างตาช่างโกงสร้างนาฬิกาให้คลาดเคลื่อนจากเวลาแล้วก็ไปให้คนอื่นเพืนะ่อจะใช้เป็นเครื่องมือในการขมมรู่ในการช่อโกงคนอื่นอันนี้ก็ทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเขาไม่ถือว่าเป็นทานนะเพราะอะไรเพราะว่ามันมีโทษ แต่บัณฑิตจะสันเสริมทานประเภทที่จำนวนมาลีว่าอันหาโทษไม่ได้พูดง่ายว่าไม่มีโทษแก่ผู้รับตนเองท่านฟังทลายแต่โลมาโพธิญาณในวันนี้ก็ขอยุติไว้้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญ ง, งอกงามไปบูรณาธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทัวกันสวัสดี